ท่านกล่าวว่าโสติยครามเขาญาติาแปดกรรมาถวายพระองค์ก็กดเป็นบันลังประทัดนั่งเพื่อตรัสรู้แต่บาลจริงตอนนี้คงจะเข้าใจเข้าใจว่าคงจะเป็นปริสนาพาแปลว่าห้องห้องแปลว่ า, าติดมาโดนใจสมัยนั้นค้่องอยู่ที่โลกกระทา สำนักเลือสีทั้งหลายเขาบำเก็ญเพียรภาวนารรมสมาธิมันตอกท่องอยู่ที่โลกกระทำทำเพื่ออยากให้ชาวโลกเขาเห็นอัศจรรย์อวดลิ์อวดเดชกิเลสมันยังเต็มเป้าแล้วยังเอาโลกกระทเทอดไว้บนศีรษะแต่ท่านชายสิทธถะเมื่อเริ่มจะมาปฏิบัติในตอนหลังนี้พระองค์เอาโลกกระทไปลองดั้ง ไม่ได้เอาเทิดไว้บนพระเสียรมงนาปฏิบัติเพื่อจะให้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวไม่ต้องการเกียรดตดิยกหรือเสียงใดๆทั้งนั้นทีนี้พอพระองค์ประทับนั่งอยู่บนบันหลังก็ทรงอธิษฐานและใยว่าเราจะประทับนั่งอยู่ที่ตรงนี้จนกว่าจะได้รัสกรรู้แม้ว่า เรายังไม่ได้ตราตรูดตราใจเนื้อหนังเราจะเหือดแห้งแต่สลายไปขอตามเราจะยอนตายอยู่บนพบลังนี่แหละขอตั้งพระไยแน่แน่แล้วว่าเราจะจับจุดในการปฏิบัติจุดแรกเราจะเอาที่ตรงไหนเราองมาทรงดำริว่าเราจะเริ่มต้นที่จุดไหน ก็ทำให้พระไทยของพระองค์เลิทรงเลกถึงเรื่องอดีตอดีตในทั่วชีวิตของพระองค์นั้นเองทรงลำเลิกถึงสมัยที่ยังทรงพระเยาพระบิดารรมทมพิธีแลกนาฝนพระพิ่เลี้ยงนางนมถูกพระโอูให้พระองค์บัรชมอยู่ใต้ตนว่า ในขณะที่พระพิเลี้ยงนางนมแต่ทุกคนเขากาลังเกิดเพลินอยู่กับการทำพิธีแรกนาควันปล่อยให้พระองค์อยู่บัญชมโดยลำพังพระองค์เองเพียงพระองค์เดียวโดยสรรค์ธาตาุแห่งความเป็นพุทธะดยอำนาจแห่งบารมีมากระต้นเตือนทำให้เด็กตัวเล็กๆนอนอยู่ในพระอูนั่นแหละ โลจากทำกรรมฐานด้วยการกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกโคตสะวัติเขียนไว้ชัดเจนว่าพระองค์ได้บรรลุปฐมมัชฌานเืลอเจ็บของพระองค์นั้นเกิดอยู่ที่ลมหายใจเป็นตัววิตุิสาธิตโลคามอยู่ที่จิตที่กำหนดูลลมหายใจแกนวิจาร แล้วก็มีีบสมีความสุบมีความเป็นหนึ่งหนึ่งเพื่อจกิต จ, จดจ้องอยู่ที่ลมหายใจไม่วันไหวได้บรรลุปฐมฌานพอพระองอ์มาถึงตอนนี้พอมาเรรมกิดความรู้ขึ้นมาว่าอ้อตรงนี้เองที่จะเป็นบันไดก้าวไปสู่การตรัสรู้เพราะการทำสมาธิในจุดนี้มันเป็นการทำสมาธิตามหลักของธรรมชาติ ที่ว่าธรรมชาติก็เพราะว่าลมหายใจเป็นธรรมชาติของร่างกายการหายใจเราจะตั้งใจก็าตามไม่ตั้งใจก็าตามเราหายใจอยู่ตลอดเวลาแม่นอนหลับแล้วก็ยังหายใจอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้จึงชื่อว่าเป็นอารมณ์ธรรมชาติีนี้ส่วนจิตก็มีธรรมชาติรู้เป็นสิ่งรู้อยู่โดยธรรมชาติ เมเป็นแช่นั้นพระองค์ก็เอาธรรมชาติกับธรรมชาติไปสัมผัสกันคือเอาจิตไปรล้อยู่ที่ลมหายใจเท่านั้นแต่สิ่งที่พระองค์จะตกแต่งก็คือสติได้แก่ฟามตั้งใจตั้งใจควบคุมจิตให้รู้อยู่ที่ธรรมชาติคือลมหายใจเข้าหายใจออกพระองค์ทำอย่างไร บางครับลมหายใจให้มันยาวบางครับงลมหายใจให้มันสั้นบางครับงลมหายใจให้มันหยาบบางครับลมหายใจให้มันละเอียดแบบนะั้นหรือเปล่าทำอย่างนั้นมันไม่ใช่หลักธรรมชาติจนแล้วหละอย่าไปเข้าใจผิดพระองค์เพียงแต่มีเสด็จ ก, กำหนดรูลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่โดยธรรมชาติเท่านั้น จนกระทั่งเกิดสมาธิมีวิตกวิจารปีสุขเอกัสต า, าเมื่อสมาธิเกิดขึ้นได้ปฐมมัชฌานลมหายใจจะยาวจะสั้นเป็นเรื่องของลมหายใจลมหายใจจะหยาบจะละเอียดเป็นเรื่องของลมหายใจนาทีของพระองค์มีแต่มีสติกำหนดรู้อย่างเดียวโชคเต็ม ท, ท, ทุกอย่างปล่อยให้มั น, เ ป, นปเป็นไปเองโดยอัตโนมัติ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 เจตสงบละเอียดลมหายใจเข้าละเอียดไปด้วยในที้สดเจตก็ตามลมหายใจเข้าไปสงบนิ่งรู้เตือนเบิกบานอยู่ในถ้ำกลางตูดลมหายใจหายขาดไปหมดแล้วยังเหลือแจจต่ิตตับตายยังปรากดอยู่ในช่วงนี้เจตของพระองค์ที่ใสสว่าง แผลและเสตะลุกออกไปทั่วกายทั้งหมดตั้งแต่หัวสู่เท้าแต่เท้าสู่หัวมองเห็นปอดกำลังสูดลมหายใจมองเห็นหัวใจกำลังเต้นทำหน้าที่เหดุรอเหตุไปเลี้ยงร่างกายทั่วบดทุกหนทุกแห่งมองเห็นตับกำลังทำหน้าที่แยกเก็บอาหารอันละเอียดจะ บ, บริสุทธิ์ไว้สำหรับเลี้ยงร่างกาย มองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ทํางานอยู่โดยอัตโนมัติเสื่งทางแพทยศาตร์ว่าอวัยวะทุกส่วนทํางานตามคำสั่งของสมองอันนั้นเป็นเรื่องของแพย์เผ่าว่าแต่ตระพุเจ้าท่นานไม่ได้ว่าเป็นด้เพียงมองเห็นว่าอาวัยวะน้อยใหญ่ตั้งหลายทั้งพวงนั้นทำหน้าที่ของตน อ, อยู่โดยไม่หยุดไม่หยุดตลอดที่24ชั่วโมง ในเมื่อพระองค์กำหนดเศของพระองกําหนดรูธรรมชาติของร่างกายอยู่จกระทั่งรูตะลุกโกลมมอดในที่สุดก็จึงเกิด เ, เป็นเรื่องกายยะตาสถิสูงขึ้นมาอย่งองางข้อเมตาโยกายของเรานี่แล้วอุตังปาดะชลาบบเบื้องบนใจเพื่อนเท้าขึ้นมาเต็มไรด้ยวยของไม่สอาดเประการณ์ต่างๆผมผมได้ฟันหลังเนือเป็นต้นมันเกิดมาตั้งแต่สมัยรัน ในในถ้ำกลางในขณะที่พระองค์เจตของพระองค์มากำหนดรู้อยู่ภายในกายมองเห็นอะไรทั่วทหมดทุกสิ่งทุกอย่างอย่างชัดเจนตอนนี้ถ้าจะเทียบขั้นของสมาธิก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิว่าโดยในเมตต์ก็เรียกว่าองค์พะหานิมิต แต่ในไงเมื่อจิตมาดูภาพนิ่งคือร่างกายที่นิ่งนิ่งอยู่นี่มันเป็นอุปหะในมิตในเมื่อกำหนดดูต่อไปพลังของจิตมันแก่กล้าขึ้นมันสามารถทําให้ร่างกายที่กําหนดหมายดูอยู่นั้นกลายเป็นโครงกระดูกจะอมองเห็นเมื้อหนังมันเปลยพังลงไปหลุดลงไปตีละกินสองกิน ในพิโสจังเหลือแต่กองกระดูกองกระดูกก็ชนพวบลงไปแหลกละเอียดสลายตัวลงไปไม่มีอะไรเหลืออยู่ในตอนนี้มันก็เป็นปฏิคานนสในเนตจิตเต้าซึ้นถูกภูมิปัญนาเรียวกับขั้นใช้ปัญญาแล้วแต่ว่าในขณะที่เจตมันทํางานอยู่นี่มันไม่โพูดไม่จาเพียงจะโลดใส่เห็นอยู่เฉยๆเหตุนี้ในเมื่อไรเด็ของพระองค์เนี่ยมาทําลายร่างกายให้แหลกละเอียด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 ทีน้นเมื่อจิตกระลอยแปลงความอยู่ในในถ้ำกลางแห่งความอ้างว่างที่ไม่มีที่สิ้นสุดลองผลดรอท้ายจิตตรงนี้ก็ทะล่อมตัวเข้ามารู้ดูที่วิญญาณเรียกว่าวิญญาณนานาจตนะจิตมากําหนดโลววิญญาณโดยอัตโนมัติจนกระทั่งวิญญาณและจิตความสาว่างกระไบอะไรก็หายไปย่างเลยสิเหลือแต่ตัวรู้อยู่เพียงเม็ดเดียวเกือบจะไม่เหลือ สัญญาเวทนาอะไรดับไปหมดมีแต่ตัวรู้ที่ยังเหลืออยู่นิดๆภายในจิตเท่านั้นในตอนนี้ท่านที ท, ท่านว่าสัญญาเวทีดับในรูหรือในรล้สมัครบัเป็นฐานที่สร้างพลังจิตเพื่อเตรียมที่จะตรัสรู้เป็นพระพุตธเจับในเมื่อพระจิตของท่านใายจิตตาามาสร้างพลังงานอยู่ที่ตรงนี้ พอมีพลังจิตที่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกเจตแผ่รัศมีแห่งคว า, ส, าสว่างกะไวัยออกมาทีนี้มีความสว่างสวยคลุมจักรวาลทั้งหมดพระอาทิตย์ที่ว่ามีแสงสว่างแสงสว่างของดวงอาทิตย์ส่องไปที่ตรงไหนถ้ามีสิ่งกบาบังแสงอาทิตย์ส่องลงไปไม่ทะลุ แต่แสงประเจดของพระพุทธเจ้าในขณะนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนงทำให้พระองค์มองเห็นโลกคือเบื้ น, นแผนดินเห็นต้นไม้คกเขาเรากาเห็นคนเห็นกัตเห็นเทวดาอาินทร์ตนจมดนยักมองเห็นหมัมมรดตั้งแต่อวีจีีมหานรลกนรนกระทั่งจดสมโลกท่านอาจิรย์ขาครบม มองลองลมามาตั้งร่างก็ตัวเย็นตัดก้นแับไปไปไม่มามีประเทศต่างๆกันบางก็เดินเอาหัวชี้บ้าบางก็เร่ยพานบางก็สะเะสือนผสมไปอย่างลาบากมีโลกนางสียวพันวันณะลักษณะหน้าตาแตกต่างกันตามประเทศของพันสัตวนั้นใน่วกนี้ทําให้พระองค์ ได้ตรัสกรูปความจริงของตัดทั้งหลายก่อนอื่นทรงบรรลุรภพเพนิวาสานุสติญานแล้วล ป, ประบรรลุจุตูป า, าสปาราญานธรรมะตกะตาญาณอาสวัตญาญาณในขณะที่ปรติดของพระองค์ลอยเด่นอยู่เหนือโลกแล้วประมองเห็นทุกสิ่งทุกอยา่างในขณะจิตเดียวเท่านั้นลราพระเจ้าตรัสสรุปขณะจิตเดียว วัดเดียวไปทอดที่มันยังค้ากว่าปราสาโรในขณะที่เจตของพระองค์มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ปลาฝัอยู่ในจั ก, กรวาล น, นี้ในขณะนั้นเจิตของพระองค์เพียงแต่รู้เพียงแต่เห็นรู้เห็นอย่างไม่มีสมมติสัญญา เห็นคนก็ไม่ว่ากดเห็นตัด ก, ก็ไม่ว่าตัดเห็นแผ่นดินก็ไม่ว่าแผ่นดินไม่ใช้อนลูกเดียวทําไมมันจึงเป็นอย่างนั้นละ่ะเพราะในขณะนั้นเจดของพระองค์ อ, อ, อยู่เหนือโล ก, โลกเป็นโลกุตตะละเจดเทพรากฏดเกิดในขั้นโลกุตตละธรรมนั้นไม่มีสมมติปัญั์เอาถ้าอย่างนั้นธรรเทศที่เราฟังกันอยู่นี่มาจากไหนหละ่ะมันมาตอนนี้ ตอนที่พระเจ็ดของพระองค์ถอนจากสมาธิท่านละเอียดนี้มาแล้วภาตในเมตติมองเห็นทั้งหลายทั้งปวงนั้นหายไปหมดพอพระเจดตัวนี้มาสัมผัสรู้ว่ามีกายเท่านั้นพอเสร็จแล้วเจดตัวนี้จะทําหน้าที่อธิบายเหตุการณ์ต่างๆที่เห็นในขณะนั้นโดยจะอธิบายว่าเออ หันตัวนี้แต่งตัวอย่างนี้อยู่ในตะนกูลกัต์คือเราในทาตุที่เป็นพระเวทสันต์รอบพุ่มตัวใหญ่ๆที่ถูกไปเกือบจะถูกไปก็นั่นคือเราในธาตุนั้นมาอธิบายให้ตัวเองฟังเมื่อถอนออกจากสมาธิมาแล้วแต่ในขณะที่รู้แจ้งเห็นจริงไม่มีภาษาที่จะพูดก็จากนั้นในคันีพุทธประวัติจึงกล่าวว่า การพระเจ้ า, าบรรลุปกเพนิวาสานุษตจียานในปฐมมายาบรรลุตัตัวป่าป่าจียานธรร ม, มสกตายานมิพาจียานในมัชติมยาบรรลุอาสวัตจ ย, ยานในปฏิมยาแต่แท้ที่จริงพระองค์บรรลุตั้งแต่ปฐมมายาแต่ที่คมภีร์เขียนเอาไว้ว่าบรรลุในปฐมยามนั้น เหตุของพระองค์มาพิจารณาเรื่องภูเก็ตนิวาสานุสติยานจบลงในปฐมมายม์ทีนี้พิจารณาการจุติและการเกิดของสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นไปตามลัทาิของกรรมจบลงในมันชิมายม์แล้วก็พิจารณาเหตุปัจจัยที่ให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมคืออาสวะอาสวะตัวนี้หมายถึงอวิชชา อวิชาที่รู้ไม่จริงเป็นเ ห, นเหตุให้ทำกรรมทำกรรมตามที่ตนนึกว่ามันถูกต้องใคเมื่อทำลงไปแล้วมันก็เกิดผลก็เกิดผลแล้วก็ต้องผลอันนั้นแหละมันมีอำนาจที่จะส่งวิถีวิ ญ, ญญาณให้ไปผดไปเกิดในภาตตา่ตางๆทศตา่ตางๆแล้วพระองค์พิจารณากิเลส ต, ตัวนี้จบลงในปัจจิมยาม แต่ว่าการรักษาลูนั้นอยู่ในขระดิตเดียวเท่านั้นที่มาใช้มีเวลาพิจารณานี่เพื่อการทดสอนสิ่งที่รู้มาแล้วเท่านั้นแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่แน่พระไัยยังอุตส่าห์เปประทับนั่งที่ใต้ตไมัยลาชาโยตนะอุตส่าห์เปนั่งพิจารณาปฏิจจสมุปบาทอาวิชาปัจจญาสังขารอาอวิชาเป็นเหตุ ให้มีสังขารสังขารเป็นเหตุให้มีวิญญาณวิญญาณเป็นเหตุให้มีนามโลกนามโลกเป็นเหตุให้มีอายตนะอาญนะเป็นเหตุให้มีพัสสะพัสสะเป็นเหตุให้มีเวทนาเวทนาเป็นเหตุให้มีสัตย์สัทธาสัทธาเป็นเหตุให้มีอุปาทานอุปาทานเป็นเหตุให้เกิดบครบเป็นเหตุให้เกิดชาติชาติเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งปวงที่รักษาเราทั้งหลายประสบอยู่ในความเป็นบาปการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เข้าใจว่าเป็นอย่างนี้ตรัสรู้ในขณะที่จิตไปลอยเหนืออยู่เหนือโลกตัดความสงสัยข้องใจในธรรมะเด็ดขาดลงไปสิ่งที่ตัดเินใจเด็ดขาดลงไปนั้นไม่ย้อนกลับมาเป็นเหตุให้สงสัยข้องใจอีกอันนี้เรียกว่าวิปัสสนาเพราะฉะนั้นขอท่ า, านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ได้ปลอบพิจารณาเมตินี้ลองดูเรื่องของการปฏิบัตินี้สมถะสมถานวิปัสนาสมถะอันนี้เป็นแต่เพียงชื่อของวิธีการเท่านั้นอย่าไปยืดให้มันมากนักเราปฏิบัติอันใดตามวิธีการของสมถะคือบริกรรมภาวนาเพ่งติอันนี้เรียกว่าปฏิบัติตามวิธีการของสมถะ อ่าปฏิบัติแบบเนสติค้อมคิดทิจารณาหรือตามรู้อารมณ์จิตโดยที่จดแม้แต่ว่ากำหนดสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดพุกนาจิตพุกลมหายใจได้เชื่อว่าปฏิบัติตามวิธีการของวิปัสสนาทางสองอย่างนี้จบประกอก็ให้เจนสงบเป็นสมาธิให้เกิดสติปัญญา สามารถพิจารณาสภาว่าธรรมให้รู้แจ้งเก็นจริงตามกดแห่งความเป็นจริงเราดังนั้นบางท่านอาจจะคิดว่าปฏิบัติสมาธให้มันได้ดีแล้วค่อยเจริญพิปัสละทีนี้ถ้าสมมติว่าเราปฏิบัติสมาธไม่ได้ดีล่ะชีวิตของเรามันสั้นไปเราจะไม่ตายก่อน เราะฉะนั้นกรมฐานวิปัสสนาสองมิธีการนี่เราปฏิบัติไปพร้อมกันสมมติว่าเราภาวนาพูโ้โตพู้โตอยู่เป็นการปฏิบัติตามวิฏีของของกรรมถาแต่พอภาวนาพู้โตไปคับเกิดมันติผ้โตมันไปนคิดอย่างอื่นขึ้นมาถ้าเราปล่อยให้เกิดของเราคิดไปมีสติไล่ตามรู้มันไปนอันนี้เรียกว่าปฏิบัติตามวิฏีการแห่งวิปัสสนา หลักที่ท่านควรจะกําหนดเอาไว้เป็นหลักไปพิจารณาเนี่ยถ้าสมมติว่าท่านจะถามามาตมเสียวนีว่าอยากจะทํามสมาธิทําอย่างไรอาตมาก็จะตอบว่าการทํามสมาธิคือการทํำจิตให้มีอารมณ์สิรติทำติให้มีสติแล้วล่กอะไรก็ได้เดินอนนั่งนอนรับทานดึงความพุจเจ ต, ตอารมณ์ติ เราจะทำสิ่งเหล่านั้นได้เพราะจิตเป็นผู้สัง่งเมื่อจิตมันสั่งการอันใดลงไปเรามีสติสัมผัสติดเป็นการฝึกสมาธิอยู่ตลอดเวลาและตอนที่จะจบนี้ขอฝากพันดาท่านูฟังเกี่ยวกับเรื่องการทำสมาธิ <c oughs> ให้มันสัมพันธ์กับการศึกษา แต่จะขอเล่าเรื่องอดีตให้ฟังก่อนสมัยที่อาตมาเป็นสามเณรกําลังเริ่มเรียนบาลีจะเรียนเป็นท่านมหาในขณะที่ถือหนังถือบาลีเดินห้องไปห้องมาแบบเดินจกกลบท่านอาจารย์องค์หนึ่งก็มาทักว่าเน่นถ้าจะเรียนก็ตั้งใจเรียนจะปฏิบัติก็ตั้งใจปฏิบัติอย่าไปจับปลาสองมือมันไม่สําเร็จเด็กบาลีเก่งว่าเอะ เราจะเรียนไปด้วยทําสมาธิไปด้วยมันจะขัดข้องกันอยู่ก็เลยมาคิดว่าในตัวของอาจารย์ผู้สอนเนี่ยมีเด่นมีน้ํามีลมมีไปมีอากาศมีวิญญาณก็หลักแห่งกับสินมันมีสินดินกับสินน้ำกัสินไปกสินลมกัสินอากาศกสินวิญญาณเราจะเอาตัวอาจารย์นี่แหละเป็นศูนย์เป็นจุดแห่งกับสินพออาจารย์เดินก็มาหน้าห้องเพ่งสายตาไปที่ตัวอาจารย์ ส่องเกบไปรวมไว้ที่ตัวอาจารย์ทันต่อเรื่องกันพุกวันพวกวันพวกวั น, วนในกระดาษที่นั่งเรียนอยู่ในตอนแรกๆมันก็ตับตัววุ่นวายหน่อยพอเปิดไปจะกล้องตัวกล้องตัวทีนี้เราไม่ได้ตั้งใจอย่าว่าแต่เราจะไปจ้องอาจารย์เราเองเยนใกล้ผ่านหน้ามันจ้องเอาจ้องเอายิงอาจารย์มาเยืนหน้าห้องจ้องปับใจก็ไม่ไปอยู่ที่ตัวอาจารย์ แต่เมื่อสวดนานๆเข้านี่สายตาจะอยู่ที่อาจารย์แต่บางครั้งรู้สึกทางใจนี่มันจะมาอยู่ในตัวเราเองมาตอนนี้ให้อาจารย์พูดอะไรจด่อจดจ่อจดจ่อจดจ่อจดจ่อับจ่อจดจดจดจดจดจดจันดจดจดอดจรจดจดจดจดจดจดจาจดจดจดจดจจดจดดจดจดจดจดจดดจดจดจดจดจดจดจดจดจดจดจดจดจดจดจดจดจดจดจดจดจดดจดจดจดจดจดจดจดจดจดจดจดเดจ ทั้่านอา จ, จะต้องใจว่าการภาวนาการทำํำสมาธิภาวนาที่สองภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธเป็นต้นถ้าเราจะไม่ภาวนาพุโทโธแล้วมันจะเิียดไหมล่ะมันไม่เิเียดหรอมนตรจิตเป็นธาตโลพุโทโธแปลว่าโลในเมื่อเรามีจิตโลอยู่เราก็มีพุโทโธอยู่ทีนี้ในจิตทั้งท่านทั้งหลายมีพุโทโธหรือเปล่า ถ้าท่านมีความรู้สึกสำนึกติดชอบตัวดีท่านก็มีพุทธโต อ, อยู่ในจิตถ้าท่านมีสติและเลิงรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาท่านก็มีพุทธะอยู่ในจิตถ้าท่านมีเจตนาที่จะละความตัวกิดพฤ่อความดีท่านจิตให้บริสุทธิ์สะอาดอยู่เสมอท่านก็มีพุทธะมีสังฆะเกิดประสงค์อยู่ในใจเพราะฉะนั้นใครมีความรู้สึกสำนึกผิดชอบตัวดีมีรู้สึกเบิกบาน มีความจำเึ ก, กจิตนั้นครก็ทัวดีอยู่ตลอดเวลามีเทโอสภาประจำใจตลอดเวลาผู้นั้นได้เชื่อว่ามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสบ์อยู่ในใจแต่กรยายธรรมะมากเ็เห็นว่าพอสมควรแก่ภาลเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณประสีทรัตนตรัยแต่สิ่งสับจิ์ทั้งหลาย และเพิ่มหน้าแห่งบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมบำเพ็ญเพื่อลำเลิศถึงพระเดชพระคุณของพระบาทอาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุญกุศลที่ดียองดอนบัณฑาลให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญด้วยอายุวรนละสุขภาระปฏิภาณธนิการสมบัติแม้จะปราศนาสิ่งใดๆก็ ข, ขอให้สมเร็จตามใจส่ปราศนาในที่พุกข์สัตว์ตลอดการทุกเมื่อเอือ